ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งอสาศาธาโดยเป็นอสศธาอาทีนวะโดยเป็นอาทีนว ะ, น, น, วะนิสระณะโดยความเป็นนิสระณะเนี่ยนะแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณนนะไม่ปฏิญาณว่า เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในโมสัตว์พร้อมทั้งสมนาพรามเทวดาและมนุษย์ก็แลยานทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีก็ถามว่าสูตรนี้เป็นสูตรลักษณะไหนต้องการให้คนกลุ่มไหนฟัง พวกโซนนี้ถ้าว่าตรงๆนะเป็นอธิบายสัจทินสีเนี่ยนะให้ผู้ผู้ที่เช่นผู้ที่สงสัยว่าเอ๊ะพระผูธเจ้าเนี่ยบรรลุได้ยังไงเป็นพระผู้เจ้าได้ยังไงเนี่ยนะคือคือไม่มีศรัทธาไม่มีอธิมโมกในในพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าที่พระองบรรลุเนี่ยบรรลุอย่างนี้นะจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะข้อปฏิบัติเหล่านี้เธอจงอย่าสงสัยเลยอีกนายหนึ่งอีกนายหนึ่งบอกว่าถ้าเธอต้องการตรัสรู้เธอต้องทําแบบนี้นะ เท่านี้เป็นทางที่เราเดินเดินมาก่อ น, นของเราถ้าปรารถนาที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็ต้องค้นหาอัศาธาของรูปแล้วก็ค้นต่อไปถึงอาทีนวะของรูปแล้วก็หานิสรณะของรูปให้พบนะตนั่นกันสูตรนี้รวมๆเนี่ยเป็นวิปปัญจิตันยูคือแสดงให้วิปปัญจิตันยูฟัง วิปัญจิตันยูนะก็มีหลายหลายระดับด้วยกันนะีปัญจิตันยูบางอย่างก็ขยายมากหน่อยบางอย่างก็ขยายมากเนี่ยนะคือก็มีหลายหลายระดับด้วยกันคือเล่าให้ฟังนั น, นะเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยหรือ โดยข้อปฏิบัติใดและตรัสรู้อะไรตรัสรู้แล้วมีผลต่อไปว่ายังไง น, นะเท่ากับตอบคําถามสามคำถามเนี่ยนะตรัสรู้อะไรตรัสรู้อย่างไรแล้วก็ผลแห่งการตรัสรู้เหล่านั้นน่ะดียังไงเนี่นยคือลักษณะสูตรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะลักษณะคําสอนเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนเนติปรกรณ์จะรู้ว่าถ้ามีคําตอบเกิดขึ้นแสดงว่าต้องมีคําถาม อย่างสูตรเหล่านี้ที่แสดงนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ขึ้นพรวดมาเฉยๆไม่ใช่จะต้องมีผู้ฟังเนี่ยนะตั้งเป็นข้อสงสัยหรือเขาเขากําลังปรารบอยู่ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งอนะอาศัยเหตุอันนั้นแล้วต่อไปเนี่ยนะย่งปุจฉิวิสัชิตันจะนะสุตัสะยาจะอนุคีติเนี่ยก็คือจะต้องคําปุจฉามันต้องอาศัยวิสัชนาเนี่ยนะแต่แต่ในนั้นนะอ่ะถ้าอย่างเมื่อกี้ข้อความในเนติปกรณ์นี้ก็หมายถึง ว่าการวิจัยต้องวิจัยปุชาวิจัยวิจัยวิสัชนาเป็นต้นเนี่ยนะตรงนี้เป็นคำวิสัชนาเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าพื้นฐานเกิดจากข้อปุชาร์เนี่ยนะคืออยู่ๆก็ไม่ค่อยมีใครพูดอะไรลอยๆขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ด้วยกันแล้วพูดขึ้นมาลอยๆเนี่ยแสดงว่าต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนนันถ้าหากว่าเห็นข้อคาตอบก็แสดงว่าต้องมีมาจากคาถามถ้าศึกษาดีการเนี่ยนะ ท่านท่านจะบอกเลยว่าท่านอาจารย์่ะท่านตั้งไว้ในใจว่าอย่างนี้ก่อนแล้วท่านจึงอธิบายว่าอย่างนี้นยคือจะตั้งตั้งข้อตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้นมาก่อนแล้วค่อยอธิบายออกไปอีกสูตรหนึ่งนะประกาศชัดว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าอาศายทาแห่งรูปจักไม่มีไซส์ศาตร์ทั้งหลายก็จะไม่เพลินกหนังในรูปแต่เพราะ อัศธาแห่งรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนับในรูป น, นี่บอกตรงเลยนะถ้าสุกนะไม่ก่อให้เกิดสุกโสมนัสเลยไม่มีใครติดร้องในรูปเนี่ยก็เพราะรูปเนี่ยมันก่อให้เกิดความสุกก่อให้เกิดโสมนัสนั่นแหละจึงกำหนัดติดข้องในในรูปถ้าโทษแห่งรูปจะไม่มีไซสัตว์ทั้าทางหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะโทษแห่งรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูป ยะนะอย่างปุตตชนทั้งหลายที่ติดข้องในรูปเนี่ยนะก็เนื่องจากรูปมันมีอัศทะภาริยะทั้งหลายที่ท่านเบื่อนหน่ายในรูปหรือผู้เจริญวิปั ส, สนาทั้งหลายเบื่อหน่ายในรูปเพราะรูปมันมีอาทีนวะเนี่ยนะถ้าเครื่องสลัดออกแห่งรูปจกไม่มีไซสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงออกไปจากรูปได้แต่เพราะเครื่องสลัดออกแห่งรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปจากรูปได้อย่างภาริยะเนี่ยถ้าไม่รู้แจ้งนิพพานนี้ออกจาก ออกจากรูปไม่ได้เนี่ยนะคือนิพานนั้นเป็นธรรมะที่ที่ออกจากรูปโดยโดยล่วงส่วนอย่างแท้จริงเนี่ยนะถ้าไม่แทงตลอดพระนิพานเนี่ยที่จะพ้นไปจากรูปไม่มีเนี่ยนะนิพานก็อย่าลืมนะแยกสัพบว่านิวานะนิแปลว่าไม่มนะีตันหาเนี่ยนะนินิแปลว่าแปลว่าไม่มีวานะแปลว่าตันหาวแหวนเป็นพอพานซะเออ นั่นก็เรียกวันนิพพานก็ความไม่มีตันหาหรือความสิ้นตัญหาแต่สิ้นตัญหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะวิราคะตันหานยะสิ้นตัญหาเพราะวิราคะตันหาไม่ใช่ไม่ใช่แบบสักแต่ว่าไม่มีตัญหาเฉยๆก็อันนี้มันสำนวนไทยๆเราอะนะที่คุ้นเคยกันแต่จริงๆใช้คำว่าตัญหาก็คือหนึ่งในจำนวนกิเลสทั้งหลายน เพราะขันท่าเนี่ยมันมีอัศาธานะทั้งทั้งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เหมือนกันมันมีอัาธาเพราะมีอัาธานั่นแหละจึงจึงคล้องเนี่ยนะจึงติดจึงคล้องถ้าขันเหล่านั้นเนี่ยไม่มีอาทีนวะเนี่ยก็ไม่มีใครอยากต้องการจะออกอยู่แล้วแต่เพราะมันมีอาทีนวะอยู่ในนั้นจึงต้องการ ออกจากขันทั้งห้าแล้วก็นิสรณะถ้าจะกล่าวไปนะทั้งสูตรเนี่ยในขันธวรรกวักโดยมากประกาศสัจจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะที่เรียกว่าประชุมสัจจะทั้งหลายก็ลักษณะนี่แหละนี่คือการประชุมสัจจะเนี่ยนะ ดูกันพิสูจ์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ยิ่งซึ่งอัศทะโดยความเป็นอัสสาธะอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะและนิสระณะโดยความเป็นนิสระณะแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพียงใดสัตว์ทั้งหลายก็ยังไม่เป็นผู้ออกไปพรากไปหลุดพ้นไปมีใจอันหาขอบเขตไม่ได้อยู่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ยิ่งซึ่งอาสาธาโดยความเป็นอาสาธะซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ออกไปพรากไปหลุดพ้นไปมีใจอันหาขอบเขตไม่ได้อยู่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกไม่มูสัตว์พร้อมทั้งสมมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์น จิตที่หาขอบเขตไม่ได้เนี่ยนะก็เท่ากับเป็น spaghetti. เป็นอัปปามานะธรรมอัปปามานะธรรมในที่นี้เป็นอ่ะนะก็คืออัปปามานาธรร ม, มานะมันจะมีคามําำหนึ่นงใช่ไหมปริตตาธรมมานนารมมามหคตาธรรมมาแล้วก็อัปปามานาธรรมมาปริตาก็คือการ ม, ม, มาวจรธรรมทั้งหลายมหคตาก็คือฌานทั้งหลายอัปปามาก็คือโลกุตระเนี่ยนะโลกุตระเพระะนใจที่หาขอบเขตไม่ได้คือใจที่เป็นอัปปามณะอันนี้หมายถึง โลกุตระจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในหมู่สัตว์ทั้งหลายอะ่ะแต่ท่านมีโลกุตระจิตคือจิตที่ไม่มีการข้องในอุปาทานขันห้าเลยและตัวอุปาทานก็จะไม่ไปข้องกับจิตอันนั้นด้วยนะอ่ามัคจิตพละจิตเนี่ยนะไม่เป็นอา ร, รมณะปัจจัยของตัญหาตันหาไม่ค่อยชอบจิตประเภทนี้อีกสูตรหนึ่งเรียกว่าอภินันทนะสูตรอภินันท น, นเนี่ยแปลว่าไง นันท่านี่แปลว่าความเพลิดเพลินเนี่ยนะอภิเนี่ยแปลว่ายิ่งอันโหชอบมากแปลง่ายๆว่าชอบมากดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินรูปผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นประจับทุกอันะอันนี้ตรงตัวเลยนะก็เพลิดเพลินรูปคือรูปมันก็เป็นทุกอยู่แล้วใช่ไหม ผู้ใดเพลิดเพลินเวทนาเพลิดเพลินสัญญาสังขารและวิญญาณผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกข์นี่ยนะก็ถ้าเพลิดเพลินรูปจะพ้นไปจากรูปได้ยังไงถ้าเพลิดเพลินเวทนาจะพ้นไปจากเวทนาได้ยังไงถ้าเพลิดเพลินสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะจะพ้นไปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ยังไงเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็ไม่พ้นสรุปว่าเพลิดเพลินขันห้าคุณก็อยู่กับขันห้ากันแล้วกัน ดูก่อนพี่สูตทั้งหลายผู้ใดแลไม่เพลิดเพลินรูปผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุ ก, ทกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเพลิดเพลินคืออะไรอต้องนิพพิธานะที่มันตรงกันข้ามกับความเพลิดเพลินนะงั้นผู้ที่เบื่อหน่ายในรูปผู้นั้นชื่อว่าอ่านนะเบื่อหน่ายในทุกเหมือนกันเถอะคือไม่เพลิดเพลินทุกเนี่ยนะสิ่งที่ตรงอคําว่าไม่เพลิดเพลินเนี่ยแปลว่าเบื่อหน่าย ไม่ใช่แค่ทำตัวครึ้มๆเนี่ยนะนิ่งไงนิ่งอย่างนั้นเนี่ยมันนิ่งเป็นหลับแล้วเบืเ่ อ, ออะไรเบื่ออะไรเบื่ออะไรก็อย่างเราเบื่อขันท่าอย่างเงี้ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอะไรอยากตายแล้วก็อย่างเงี้ยนะคนทุกคนความทุกข์ถ้าพระอรหันต์เนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยเข า, าบอกว่าเราไม่ยินดีในการเป็นอยู่ไม่ยินดีในการตาย นะเราจะรอความตายเหมือนคนที่ทำงานเสร็จเนี่ยนะรอรับค่าจ้างเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในการตายแปลว่ายินดีในการเกิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตายกับเกิดมันใกล้กันใช่ต้องการอันใหม่แล้วเนี่ยนะะนั้นก็บอกว่าผู้ที่ต้องยินดีในการตายผู้นั้นก็ยินดีในการเกิดใหม่เนี่ยนะกลุ่มนั้นเป็นลักษณะของสัตตะเนี่ยนะสัตตะทิฐิเนี่ยนะถ้าโดยจตูปปาตยานเนี่ยนะ เพราะว่าผู้ที่ยินดีคือคือถือว่าไอ้ขันอันนี้มันไม่ดีถ้าได้ขันอันใหม่มันจะดีเนี่ยนะไปเกิดในภพใหม่ซะก็เช่นอะไรนะผู้ที่เขาตายคู่ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเราไม่สมหวังกันในโลกนี้ก็ไปเจอกันในโลกหน้ากัแล้วกันตายด้วยกันเดี๋ยวจะได้เจอกันใหม่นะชาตินี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ลักษณะนี้อะไรแผู้ที่ยินดีในการตายแบบนั้นก็คือยินดีอันใหม่นั่นเองเนี่ยนะผู้ที่อยากตายโดยมากเป็นศาสตะผู้ที่ไม่อยากตาย โอ้โหอยากอยู่งตลอดไปเนี่ยนะโดยมากเป็นอุจเฉดเนี่ยนะผลคิดฆ่าตัวตายนี่ก็เป็นโทสต์จิตเป็นโทสต์ก็จิตที่เป็นบุญเนี่ยนะทานศีลภาวนานไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่ใช่บุญะนะ <c oughs> ผู้ใดไม่เพลิดเพลินเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นเนี่ยพ้นไปจากทุกขเนี่ยนะก็ ความเพลิดเพลินในขันห้าเป็นสัจจะอะไรสมุทัยสัจถ้าไม่เพลิดเพลินในขันห้าเป็นสัจจะอะไรไม่เพลิดเพลินไม่เพลิดเพลินไม่มีนันที่ในขันห้าเลยนิโรธสัจนี่นะจางก็ได้อริยสัจไปเยอะแล้วนะนภาอ่านไปอ่านพระไตรปดฎกแล้วเห็นเป็นสัจจะไปทุกสูตรหมดเลยนะแจวลวพอได้มแนวนี้อย่างงี้ไปอ่านเป็นอริยสัจได้ไหมจางจะสอนต่อไป สบายอยู่แล้วนะอีกสูตรหนึ่งนะอุปาทัสสูตรดูกวานพิสูจน์ทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งรูปนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะนะก็ว่าถ้ารูปมันมันเกิดขึ้นอ่ะนะทุกข์มันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วใช่ไม นะถ้าสมมติปฏิสนธิตั้บเนี่ยนะการก่อตัวของรูปเริ่มก่อตัวขึ้นอะไรก่อตัวขึ้นทุกเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วนะถ้ามันตั้งอยู่นะระวังนั้นอนะ่ะมันเป็นโรคหมดเลยท่านถือว่าเป็นโรคหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันปรากฏให้เห็นเป็นชราและมรณะเนี่ยนะมันพาไปหาความชรานเน้นๆไปที่สุสโซมันนะมรณะก็แตกทาลาย ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะนะสูตรนี้เน้นขยายอะไรทุกขลักษณะกับอนิจจลักษณะนะเน้นพูดถึงความเป็นทุกข์ของขันห้าและความไม่เที่ยงของขันห้นาอนัตตลักษณะก็เท่ากับกล่าวไปแล้วนนะ ทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเป็นวัตะเนี่ยนะว่าวัตตะมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์มันเป็นโรคมันเป็นชราและ ม, มรณะนะวัตะทุกวัตตเป็นอย่างนี้แหละ <ắng. S 1> ทีนี้วิวัตะบ้างนะนิโรธศัสตร์ว่าเอดูก่อนพิสูจนทั้งหลายความดับความเข้าไประงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปนี้เป็นความดับแห่งทุกข์ความเข้าไประงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ ความดับความเข้าไประ ง, งับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนาสัญญาสังหารและวิญญาณเนี่ยนะนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความเข้าไปสงบประ ง, งับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะอันนี้เป็นนิโรสัตนะนะ <c oughs> นั้นอัตกถาสรุปว่าในที่นี้ท่านกล่าวสัจจะสี่ไว้ในสูตรที่ห้าที่หกและที่เจ็ดเนี่ยนะนะตามลําดับมางั้น สูตรที่เก้าอย่างสูตรเมื่อกี้เนี่ยนะวัตตะและวิวัตะคือนิพานนั่นแหละอนั้นก็แสดงบางสูตรก็อริยสัจสี่เลยบางสูตรก็ทั้งวัตตะวิวัตะจริงก็สิ่งเดียวกัน น, ะนั่นแหละนี่ถ้าไม่อาศัยข้อความใ น, นอัตถกฐานโนตโนตเอาไว้ให้ข้างหลังบ้างนะอ่านแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันอ่านโอ้ผ่านสบายมากทีแรกเลยนะอย่างหนังสือแบบนี้อ่านได้วันละเล่มจบแล้วจบเลย ปิดแล้วก็จบหมดเกลี้ยงจําอะไรก็ไม่ได้อย่างไดยก็คำว่าไม่เที่ยงอนะติดไม้ติดมือไปสักคำสองคานั่นนะั้นแหละผ่านหมดผมชอบมากเลยกนะลุ่มนี้น ะ, ะสูตรนี้จดไว้มาสักสิบปีมาแนละ้วจดในสมุดนะอพี่นันทนาสูตรเนี่ยแล้วก็อุปาทศูตรเนี่ยอชอบมากเลยออืชอบจริงตรงตรงตัวเงี้ยนะท่านเทศถึงสว่างผมมีหวังบรรลุแนะ่เราฟังแล้วมันเพนเลินเพลนะย เุณอาับผมจะได้ไปนวดไปอยู่กับท่น <c oughs> านมูลอีกสูตรหนึ่งนะอาฆามูลสูตรดูความพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงทุกขและมูลเหตุแห่งทุกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอย่านะ้อาคฆานี้ มีไหมอาฆ่ามูลโตเนี่ยนะมีไห ม, มอาฆ่านี่แปลแว่าผูา้ฆ่าไม่ใช่แปลแว่าทุกไห ม, มอาฆาโตเนี่ยแปลแวป่าทุกเลย<ร>อาฆ่ามูลโตใช่ไห ม, นมในในใน <S <S ใชาาน่ใช่อาฆ่าเนี่ยใช่ทุกและดูกวามพิสูจทั้งหลายก็ทุกเป็นฉไหนเนี่ยนะอาฆ่าอาฆ่าคือเนี่ยนะถ้าแปลจากบาลีก็คืออาฆ่าคือทุกเป็นฉไหน นนะอาฆะคือรูป น, น, นะนะถ้าเป็นคนอินเดียเลยคนแขกคนสมัยสมัยก่อนนะนะเป็นคนมคดกเลยเนี่ยเขาฟังเขารู้ทันทีเลยใช้ศัพท์ว่าอาฆะเนี่ยหมมันเลวซ้ํา ม, มากนะใช้ศัพท์นี้ขึ้นมานะเขารู้กันว่ามันไม่ดีมากเลยนะบอกว่ามันคือทุกขอะคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณนอะ่ะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายนี่เรียกว่าทุกข์เรียกว่าอาฆะนะแต่เราฟังาาาก็อาฆนะก็อาฆะแหละฟังแล้วไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะ แต่ถ้าใช้บางคํานี่อาจจะหมาสะดุ้งยงเลยนะดูความพิสูจนทั้งหลายมูลเหตุแห่งทุกขเนี่ยเป็นไงคืออคฆมูละเนี่ยนะก็คือมูลเหตุแห่งแห่งทุกเนี่ยคือตันหานี่ใดนําให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอานาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นนั้ น, น, นก็คือในทุกทั้งหานั้นๆันั่นแหละในอคฆทั้งหมดนั่นแหละในแก่กามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหา ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายนี้เรียกว่ามูลแห่งทุกสูตรนี้แสดงวัตตะอย่างเดียวนันะวัตตะแล้วก็เน้นทุกขัสัตนเน้นอะไรเน้นทุกขลักษณะนันะเน้นอธิบายทุกขลักษณะนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกขลักษณะนะโรคโตเป็นต้นเนี่ยถือว่าแสดงหมดแล้วนันะ <c oughs> อีกสูตรหนึ่งนะปะพังคู่โตเนี่ยนะอันนี้ยปะพังคะเนี่ยนะก็คือแปลว่า สลายหรือแตกทำลายนั่นเองนะเนะ่ยเขาอาจจะสับว่าไทยมาพังพังใ น, นใจสัเ์เรานี่มั้งนะพูดสัมนวนไทยว่าพังหมดเลยยับเยินหมดนะหนะ้าที่นั้นแหละนี่ยนะว่าสาวัตถีนะดูความพี่สู่ทั้งหลายเราจะแสดงภาวะสลายประพังคู่เนี่ยนะนะคือภาวะสลายและภาวะไม่สลายคือไม่ประพังฆ้าเหมือนกันเธอทั้งหลายจงฟังดูความพี่สู่ทั้งหลายก็อะไรเป็นภาวะสลายอะไรเป็นภาวะไม่สลาย รูปเป็นภาวะสลายความดับความเข้าไประ ง, งับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปนั้นเป็นภาวะไม่สลายน น, นใช้เน้นสองสัตวนะ์นตรงนี้เน้นสองสัจจะภาวะสลายเป็นทุกขสัตว์ภาวะที่ไม่สลายเนี่ยนะคือนิพพานนิโรศสันะตว์นเนี่ยนะแต่คําว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติรออยู่โดดโดดณนะจุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่นะอย่าไปคิดแบบนั้นนะ คือภาวะที่เข้าไปสงบระ ง, งับดับรูปได้อ น, นั้ น, น่ะเป็นภาวะของความไม่สลายหรือนิพพานเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวคคนไถมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่จงกรมหรือเปล่าหรือไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะหาไม่เจอหรอก้าอย่างไงก็หาไม่เจอนะก็คือเน้นว่าความดับเข้าไประ ง, งับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปมันนะที่ที่เกิดจากอนุ ป, ปัสนาทั้งหลาย นิพพานุปัสนาแล้วก็นิโรธาปฏินิสักานุปัสนาจนถึงเป็นปัจจัยให้อริยมรรคเกิดขึ้นนะ่ะนะมันก็ต้องเป็นไปตามลําดับแบบนั้นถ้าไม่เอาหลักวิปัสสนามาจับนะเราคิดเนี่มันที่ไหนก็ไม่รู้สักแข็งนึ่งนะนะก็คื อ, ค, อคือเราคิดของเราแต่พยัญชนะของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันนะแล้วก็คิดเรื่องของเราไปก็อ่านสูตรพระพุทธเจ้าไปอันนี้เยอะมากนะนะมันอ่านนิพพานของท่านกับของเราเนะี่ยดูเหมือนเรื่องเดียวกันอ่ะนะที่ไหนได้คนละอย่างกันก็มี ภาวะสลายอันนี้เน้นอธิบายอานิจจลักษณะเนี่ยนะคือท่อนานจะอธิบายแยกแยะว่าไอ้ทุกขสัตเนี่ยนะถ้าจะอธิบายก็ไม่ทุกขลักษณะก็อนิจจลักษณะไม่อนิจจลักษณะก็อนัตตลักษณะเพราะขันห้าเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแต่ทีนี้ผู้ที่ฟังเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าใช้คำว่าทุกเขาเข้าใจ<ม>บางคนใช้คาว่าอนิจังเขาเข้าใจบางคนใช้คาว่าอนัตตาเขาเข้าใจ เนี่ยนะเขาสามารถบรรลุมรรคผลได้พระพุทธเจ้าจะไม่ใช้คำาฝือเลยแต่บางสูตรทำไมมาแสดงทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันอยากคิดว่าสูตรเหล่านี้แสดงพร้อมกันนะอาจจะโพรรษาหนึ่งกับพรรษาสี่สิบสามอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอามาให้เหลือใกล้ๆ ก, ก, กันใช่คือผู้ที่เรียบเรียงเนี่ยนะคือพระอ น, นุน นะผู้ที่เรียบเรียงมาจัดสูตรเนี่ยนะแบบนี้จัดแบ่งแบบนี้ถามเพื่อประโยชน์อะไรมันจำง่ายดีเนะนี่ยนะคนคือท่านไม่ได้ห่วงตัวท่านหรอกท่านห่วงคนจะศึกษายุคหลังๆต่อไปนะก็จัดกลุ่มหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดกลุ่มเรื่องไหนก็มาอยู่ด้วยกันด้วยกันด้วยกันทีมันทีละคนละปีเลยอย่างเงี้นะเนะี่ยห่างกันไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีป น, นะนะประมวลเรื่องไว้ประมวลกลุ่มประมวลกลุ่ ม, มเนี่ยนะมันมีความสามารถมากนะี ยงอัาจารย์ถามสข้อขอถามหยครับถามท่านหน้าตอบรูปสเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในที่นี้หมายถึงอะไรครับเอามาจากไหนที่เขียนมันกระดาตอนอิายอ๋อมาจากสกายะที่ถี่ยีคือ4เช่น1น่นะเห็นรูปโดยความเป็นตนเนี่ยนะเห็นตนเนี่ยมีรูปรูปในตนตนในรูปเนี่ยนมีสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในเดียวกัน เป็น20ทั้ง20เรียกว่าส ก, กายาทิฐิ20เป็น ค, ความเข้าใจผิด20ชนิดพอสองนะครับฉันทราค่ากับสัสตตตถิทีเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเออไม่เหมือนกันฉันทราคะเป็นชื่อของตันหาเนี่ยนะสัสตตตถิฐิเป็นชื่อของทิฐิเพรา ะ, ะนั้นก็คนละอย่างแต่สัสตตทิฐิจะเกิด ร, ร่วมกับฉันทราคา่เนี่ยนะถ้าเรียนเจตสิกมาแล้วเนี่ยนะสัสตตะ ทิฏฐิเป็นชื่อของทิฏฐิเจตสิกส่วนฉันทราคะเป็นชื่อของโลภะเจตสิกภาษาอาสาทาอาติวานิสรันะหมายถึงอะไรครับหมายตัวผมฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไม่น่าเลยนะมานึกก็เพลิดเก็ไปกับผมด้วยเออ เอาเอาคนรุ่นเก่าๆตอบดีกว่านะโชผลงานนั่หน่อยเอาใครดีเอาคุณติดาก็แล้วกันอาสาทคืออะไรอืกู ความพยายสามไม่แปลว่าคุณตามเขาอยู่แล้วนะยังแงแปลคุณอีก <c oughs> อัสสาธาเนี่ยนะโดยสับแปลว่าเอ่อยังไงลืมเลยคือความยินดีนะ แปลว่าความยินดีหรือความเข้าไปยินดีเนี่ยนะแปลว่าความยินดีอย่างหนึ่งอันนี้สิ่งที่น่ายินดีเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยนะอันนี้พูดถึงความยินดีกับสิ่งที่น่ายินดีแต่ว่าอาศาัศธาตุตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นสองคำเนี่ยแต่โดยทั่วไปเนี่เน้นตัวนี้คือความยินดี เ ป, เป็นโลภะเจตสิกทีนี้ไอสารเหเรานีเป็นนิยามของคำสอนเนี่ยนะเป็นเหมือนกับระบบของคำสอนว่าการพิจารณาแต่ละอย่างเนี่ยต้องเอาสามอย่างนี้ไปพิจารณาเช่นต้องต้องมีทุกขสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งมาตั้งเอาไว้เช่นรูปคือรูปประขันเนี่ยนะรูปประขันก็มีอสสาทนะคือตัวรูปประขันเนี่ยมันน่ายินดีอยู่เหมือนกันหรือรูป ความพ่ะอะไรเพราะว่ารูปประขันมันก่อให้เกิดสุขและสมานัตเกิดแทนว่าอัาธะของรูปแปลว่าสมุทัยหรือเหตุของรูปนั่นเองส่วนอาทีนวะนี่ก็คือความที่รูปนั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอาทีนวะแปลว่าโทษโทษเพราะมันคือมันไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วย วันอันนี้ก็คือแปลว่าโทษและสุดท้ายนั่นนิสรณะคือเอ่อเรียกว่าสลัดออกเนี่ยนะโดยศัพท์เนี่ยแปลว่าสลัดออกสรณะเนี่ยแปลว่ายึดถือเช่นผู้ทางสารณางกับฉามีก็ศัพท์เดียวกันเนี่ยก็คือขอยึดพระพุทธเจ้าไว้ก่อนพอศัพท์วันนี้เข้ามานะแปลว่าไม่ยึดนะกรรมกับปล่อยนะก็ค่ะแบบนั้นนี่ตัวนี้เป็นตัวปฏิเสธ นนะเสื อ, อเสือก็ซ้อนเข้ามาแปลว่านะความไม่ยึดถืออย่างนี้ก็ได้แต่ทั่วๆไปเขาจะแปลว่าอันนะเครื่องสลัดออกนะนี่านันน่สนธนาโดยทั่วไปแปลว่าเครื่องสลัดออกบางแห่งเนี่ยเลยไปแปลว่าอุบายด้วยเพิ่มอีกศับมาอย่านะแต่ก็ ไ ม, ไม่ไม่บริบูรณ์เพราะว่าโดยสับเนี่ยหมายถึงนิพพานเนี่ยนะโดยสัจจะนะว่าอส า, าธาเป็นสมุทัยสัตว์อาทีนวะเป็นทุกขสัตว์ส่วนนิสรณ ะ, ะเป็นนิโรธสัตมนิโรธสัจนะไม่ใช่สัตวะน ะ, นนะก็คืออริยสัจเพราะฉ ะ, ะ, ะนั้นในอสาธาอาทีนว่นิสรณะเนี่ยนะสมอย่างเนี่ยถือว่าเป็นหลัก การแสดงธรรมของพระพุทธ เ, เจ้าคือคุณเนี่ยนะคุณะเนี่ยโดยศัพท์มันมีมีหลายความหมายคุณะบางทีแปลว่ารัฐก็มีแปลว่าคุณะคือคุณธรรมก็มีถามว่ารูปมันมีคุณธรรมอะไรพันคำว่าคุณในที่นี้จึงเป็นภาษาไทยะนะที่ ทำไมเขาจึงนิยมแปลอสสาธาว่าคุณเขาจะให้มันเห็นตรงข้ามกับคำว่าโทษไงเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วโดยสัพท์มันไม่ได้หรอกเนี่ยนะโดยสัพท์จริงๆไม่ได้ต้องแปลว่าความยินดีอ่ะนะความยินดีในรูปหรือความติดข้องในรูปอันนั้นนั่นแหละเรียกว่าอสสาธาของรูปอนะเข้าไปติดเข้าไปข้องเข้าไปเพลิดเพลินซึ่งต้องอธิบายเป็นอะไรศั์เนี่ยต้องอธิบายเป็นตันหาเนี่ยนะ ต้องเอาโลภะมาที่บายอย่างเดียวอาธีนวะนะต้องเอาเนี่ยอันนี้จะโตโรค โ, โตเอาสี่สิบสองมาพูดเถอะไม่ผิดอันนี้ก็นิพพานที่ที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะคำว่าถ้ายึดเนี่ยยึดอะไรก็ยึดพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยก็ปล่อยจาก่ทุกขกสมุทัยเหล่านี้นี่แหละเห น, น ok อ่กมรมาคุณเนี่ยคุณะตัวนั้นไม่ได้แปลว่าคุณจริงๆ คุณะตัวนั้นเนี่ยเหมือนกับศัพท์ว่าอันตะคู่นางอันตะคู่นางเนี่ยที่อันนี้อนนสมัยใหม่ก็แปลไม่ถูกเนี่ยนะอันตะคู่นางตัวนี้เนี่ยนะอันตะมาจากว่าอันตังแปลว่าไส้ใหญ่คู่นางเนี่ยแปลว่ารัดสิ่งที่รัดไส้อะนะตัวรัดไส้อะ หมาวันลบเขาหมายถึงอะไรนะวันก่อนยังไงสุดาจำได้ไหมคือคือลาไส้มันจะเป็นขดๆๆๆไอ้ตัวที่มันยึดยึดยึดยึดไส้อาไว้อ่ะ น, นะไอ้ตัวนั้นแหละเรียกว่าอันตกคู่นังเน่ะเพราะคำว่าไส้ใหญ่เนี่ยนับตั้งแต่คอลงไปจนถึงทวารหนักเรียกไส้ใหญ่หมดเลยภาษาที่เรียกว่าอันตังหมดอ่ะนะ แต่ถ้าตัวที่ทารัดทำให้ไส้ไม่ขยับเขยือคื อ, คอมันยึดอยู่นะตัวที่ยึดยึดยึดยึดอันนั้นแหละเรียกว่าอันตะคู่นัง น, นัน้แต่หมอมาลบครั้งก่อนเคยบอกอนะแต่ถ้าโดยศัพ์แปลว่าสายรัดไส้แต่ว่าเขามีนิยามของเขาอยู่นนทางการแพทย์นะอนน้ตัวนี้แปลว่ารัดทีนี้กามกับคุณอันนี้แปลว่ารัดเหมือนกัน เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันดีอะไรหรอกเลแปลว่ามันคือถ้าคําว่าการนี่ยแปลว่าความไข้ควา ม, ค, ค, วามความติดความคล้องความยึดถือนะแต่โดยสา์แปลว่าไข้ก็คือรัดเอาไว้ในความไข้หรือมันน่าไข้เท่านั้นเองเนี่ยนไม่ได้แปลว่าโอ้โหดีเหลือเกินอะไรนี่ไม่มีคําว่าไม่ดีเนี่ยคือพระอริยะท่านมองอ่ะนะ เพราะว่า wow. ที่ที training, ่เอามาแสดงเอามากล่าวเป็นใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นของพระ พ, พุทธเจ้าก็ต้องมองในสายฐานะแบบสายตาแบบพระพุทธเจ้าไงก็ออไรก็คืออะไรย็คืออรก็จอะไรกอะก็คออะไรกออะไกอะไรก็คไรก็คไรก็คือรร็อะไรครคือไกไระคกไรก็คือร็อะะอะระ็รืออไะออ็รือออ อภิานเนี่ยนะแต่ละแห่งไม่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าคัมภีอภิธานนี่แปลว่าคัมภีที่เป็นเหตุอ่ะนะอภิานตัวนั้นแปลว่าเหตุเช่นพุทธประทานก็คือเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านะปัจเจกประทานก็คือเหตุที่ทําให้ท่านเป็นพระปัจเจกเนี่ยนะก็แปลว่าเหตุนั่นเองอภทานตรงนั้นแปลว่าเหตุเนี่ยครั หลงคารมพวกกาณน่ะแย่เลยนะเนี่ยว่าจะฟังกันสว่างกันลุกไปตั้งนานนัก็นั่นแหละไม่น่าจึงของมาไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วนะถ้าเราจนสว่างนะแกไปหายเลยเราก็รับเทศจนสว่างให้อ่วมเน่นะสมควรแก่เวลาแล้วเนาะ